โมทนาสาธุการและท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องกัอนันตสูตรเป็นพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงแก่พระนุลเทระโดยเป็นการตอบคำถามซึ่งพระนุลเทระกราบทูลให้ทรงอธิบายอย่างที่เคยบอกไว้ว่า พระสูตรทั้งหลายที่ปรากฏอยู่เป็นจำนวนมากนั้นเมื่อมองถึงเหตุที่มามันจะมีสี่แหล่งใหญ่หญแหล่งหนึ่งเป็นการเกิดขึ้นโดยอธัธยาศัยของพระเจ้าเองมีพระประสงค์จะแสดงเรื่องนั้นตามปกติแล้วมักจะเรียกประชุม หรือไม่อย่างนั้นก็ถราท่านประชุมไจุยู่แล้วแล้วก็ทรงห็นว่าคนจะประรบเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะประรบธรรมะนั้นๆัินขึ้นอีกที่หนึ่งเป็นอัจฉริยะใสของผู้ฟังคือผู้ฟังจำเป็นจะต้องเรียนรู้จะต้องเข้าใจในจุดนั้นเป็นการแสดงธรรมะแนวเจาะลงไป แต่บางทีพื้นฐานมันก็ใกล้ๆกันเรายังพบว่าธรรมเทศนาบางครั้งมีคนฟังเป็นพันๆหมื่นๆมันก็ได้ผลโดยแสดงว่าพื้นฐานเขาใกล้เคียงกันยวดูตอนที่ศัตรูใหม่ๆพี่ประเทศแก่พวกพระเจ้าพิพิสารกับบริวารเขาบอกว่าสิบเอ็ดสิบสองนหุดนะ ก็แสนสองถึสิบสองนกุนก็บรรลุมรัผลถึงสิบเอ็ดนักุตคือแสนหนึ่งมืนคนแล้วก็ได้ดวงตายประกาศตนถึงพระเจาสนาคมตั้งตั้งหนึ่งมืนนี่แสดงว่าพื้นฐานเขาใกล้กันเราพูดกันรู้เรื่องก็าฟังเข้าใจง่ายอีกแน่หนึ่งมันมีเหตุการณ์องไรอย่างนึงเกิดขึ้น แราจะประรบธรรมะเหตุการณ์เหล่านี้บางทีมันก็ธรมธรมดาธรรมดาแต่ว่าวิธีของพระพุทธเจ้านั้นจะดึงก็หาธรรมะหมดบางทีแม้คนดักสัตว์หรือว่าสัตว์ตกลงไปในสระน้ำหรือว่าบางทีสัตว์กัดกันอะไรต่อไรนะเนี่ยฮะก็จะนำมาประรบข้าวเป็นธรรมะ เราชมพบประสูติบางประสูตรเช่นพิสูจถูกงูกัดมันก็เกิดประสูติพระถูกผีหลอกมันก็เกิดประสูติขึ้นมาได้อยากมาฟังว่ า, วา ม, มีเหตุการณ์ในใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเราจะประลบเรื่องนั้นเราก็แสดงอีนอันหนึ่งเป็นการตอบคําถามซึ่งคําถามส่วนใหญ่ ตัวอย่างที่เคยตอบมาเมื่อวันเสาร์ที่แล้วท่านประชาชนต่งางๆจะสังเกตว่าจะนวนปัญหาวันนั้นประมาณสักร้อยปัญหานะะแต่ถ้าเราไปเกาะกลุ่มแล้วมันจะมีสักหกเจ็ดกลุ่มแต่นั้นเด็กแต่นั้นปัญหาแต่ละคราวเนี่ยมันไม่ได้เป็นความข้องใ จ, จเฉพาะคนคนเดียวมันจะมีคนข้องใจติดใจในเรื่องเหล่านี้อยู่เย เพีงแต่ว่าไม่กล้าถามไม่อยากถามไม่มีโอกาสที่จะถามหรือไม่รู้จะถามยังไงดีอะไรเนี่ยดังนั้นเวลาจบประสูตรหลังจากแสดงแล้วมันก็มีผลด้รับผลจากการฟังธรรมะในตามสถานะของท่านน่ปนะระสูตรข้อ น, นี้เป็นการตอบคำถามซึ่งปราณ น, น, นกลกราบถุนถามว่ามันเป็นไปได้ไหมที่คนเราเนี่ย สามารถที่จะลดใช้บัตใชบาลีล้วนนะะสามคำอหังการมะมังการแล้วก็มานานุสัยจนจิตใจนั้นจะไม่หวั่นไหวกับอำนาจกองรมต่างๆที่มากระทบอุญจารสัง่าเป็นไปได้แล้วก็ทรงสแสดงธรรมะ เป็นคุณสมบัติของพระยบคุคคลนะครพูดง่ายว่าเป็นคุณสมบัติของพระยบคุคคลคืออาระมณ์มันคงมีอะไรมันคงมีอ่ะเราไปแก้ไขอะไรข้างนอกไม่ได้แต่ว่าเมื่อภายในเราไม่มีกิเลสจิตใจก็จะไม่อ่อนไหวไม่หวั่นไหวไปกักบอานาจของอารมณ์นั้นที่ี้อหังการมามังการเนี่ยเป็นคําสรุปเป็นคําพูดสรุปหมดแล้ว หมายความว่าโลกต้องปลุมก็หมดหมดโดยการใช้คำอย่างสองคำคำว่าหังการนั้นก็คือรู้สึกว่าเราเป็นดังนั้นอย่าง น, น, างนี้แล้วก็ยึดมั่นถือมั่นในความเป็นเหล่านั้นซึ่งเราเราจะพบว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็น น, นะะแต่ถ้าเกิดยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็เป็นในความรู้สึกของเราอย่างในปัจจุบันเรื่อง เรื่องข้อมูลข่าวสารเรื่องข้อข่าวสารดีให้ข่าวสารซ้ําๆากอะไรก็ตามมันนะมันเป็นกระแสของอารมณ์ที่เรารับอารมณ์ถ้าเราดูแนวปัจจัยากา ร, ราจะเห็นได้ชัดมากกว่าเรามีอายตนะอายตนะเป็นปัจจัยเกิดภาษาภาษาเวทนาตันหาวปาทานพบมันก็ไหลกัมนมาอย่างเงี้ยมายความว่าเราได้เห็นได้ยินได้ฟังได้สูดดมได้ลิ้มได้จับจ้องมันก็เกิดเป็นสัมผัสคือการกระทบ กรทบแล้วก็ทบอีกก็ทบแล้วก็ทบอีกเมื่อเกิดเป็นเวทนาคือชอบไม่ชอบเ้าชอบเราก็เป็นสุขเวทนาไม่ชอบก็เป็นทุกขเวทนามันก็ซ้ำ้ำซากๆมันก็กัดกร่อนใจเราเลยมันก็เกิดเป็นตัณหาคือควายุดในสิ่งที่เราชอบแล้วก็พยายามผลักไสเสือกใสปฏิเสธในสิ่งที่เราไม่ชอบมันก็เป็นการมาตนาเพราะว่ตัณหาพิพาตหาเสร็จแล้วมันก็ยุดยึดก็กลายเป็นพวกอุปทาน ยึดมั่นหรือมั่นเอาอย่างนั้นอย่างนี้ก็แล้วแต่จะยึดเนี่ยนะฮะเจ้าก็กลายเป็นพบคือรู้สึกเราเป็นอย่างนั้นนะรู้สึกเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นแล้วที่ความความเป็นเหล่านั้นที่จริงเงื่อนไขทั้งหมด่มันเสร็จไปแล้วแต่มันยังไม่เสร็จมันตกค้างอยู่ภายในใจมันกลายเป็นพบคือเป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นปรุงจิตคล้ายๆกับเป็นเรือนของจิตเป็นที่อยู่ของ ซึ่งมีนิทานหนึ่งในทศบุตรีท่านเล่าว่าชายหนุม่มชายหนุ่มเจ็ดคนนะ่ยต้องการจะจะหลอกเอาแพะจากพรามพรามแบบแพะมาชายหนุ่มเจ็ดคนกวางแผนที่จะต้มจะหลอกเอาแพะนะจะหลอกเอาแพจากพรามแล้วก็ใช้วิธีการในในแง่จิตวิทยายโยกร่อนความคิด ยกครองความเชื่อมัน่นความปักใจวใจังใจทึ่มีอยู่ก่อนมันก็ถูกยกคลองใหม่ตอนที่พราหมณ์แบกแค่มานุ่มโน้นก็เรียงรายอยู่ระหว่างทางห่างกัน น, นะพราหมณ์เดินผ่านก็ ท, ทําทีสนใจทักทายยกมือไหว้สอบถามาเอาพูดไปพูดา่าเมื่อจบลงด้วยคำว่ า, าลุงแบกหมาไปไหนเมื่อก่อนในพราหมณ์ก็เสียงดังดี ก็ดูเอานะฮะหมาอะไรเป็นแพะแต่ว่าคนที่สองก็แล้วที่สามก็แล้วที่สี่ก็แล้วเนี่ยมันพูดเหมือนกันหมดเลยเด็กๆตามันดีกว่าคนแก่มันบอกเป็นหมาหมดเลยที่แบกอยูที่บานไอ้ความเชื่อที่มันมีอยู่ก่อนเนี่ยมันถูกโยกร่อนเรื่อยพอถึงคนที่เจ็ดมันหมดหมดความเชื่อมั่นที่ว่าสิ่งซึ่งตนแบกอยู่ว่าว่าเป็นแพะนะฮะกลายเป็นหมาไปเลย แล้วก็ทิ้งหนุมเจ็ดคนนั้นเขาแพ้ไปแกงคือนรื่ภาพลักษณะที่มีการสะสมให้เกิดเป็นเราให้เกิดเป็นเราคือเราเป็นขึ้นมาเราเป็นอย่างไงอย่างเนี้แล้วจะยึดมั่นในความเป็นแต่ในสายความเป็นเราก็คอยคว้าความเป็นว่าเป็นไปเรื่อยก็ถามเมื่อไหรจะเลิกเป็นมันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เราก็อยากเป็นไปเรื่อยๆนะ เป็นนั้นเป็นนี้เป็นโน้นคือเป็นแล้วก็ทำได้หรือไม่ทำไม่รู้ก็อยากเป็นไปเรื่อยๆทีนี้บางทีความอยากมันก็เหยียดออกเหยียดออกเป็นอยากเป็นเทพประบุษอยากเป็นธิดาอยากเป็นเทพธิดาอยากเป็นพรหมอยากเป็นเร็งโกอยากไปเรื่อยๆกรนี้ก็เกิดมาจากอหังการคือรู้สึกเราเป็นและจะมีความเป็นสุขจากการได้เป็น ในขณะเดียวกันก็เป็นทุกข์จากการเป็นเหมือนกันคือบางทีพอเรายึดมั่นหรือมั่นไว้ในจุดนั้นแล้วเนี่ยพอเมื่เกิดเปลี่ยนแปลงไปไม่เป็นไปตามที่เราที่เราคิดเราเป็นหรือว่าที่เราได้เป็นหรือจะเกิดเป็นทุกข์เพราะการไม่ได้เป็นตกลงว่าหลังการมันก็สรุปแล้วก็คือกิเลสที่เป็นเอเรเกิดทุกข์นาประการ เรายัางเป็นมากเท่าไหร่เนี่ยเราจะมีความทุกข์มากขึ้นเท่านั้นเมื่อหลายปีมาแล้วนะฮเคยเคยตามสเสด็จตมเด็จไปที่ภาคใต้ไปถึงจังหวัดพังงาที่ผู้ว่ารายการจังหวัดปรากฏว่าเกือบค่ำแล้วนะข้าวไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินวุ่นหน้าหน้าตรงสารก็พอขึ้นรถ ได้ลูกน้องก็ข้าวห่อมาให้นั่งกินไปในรถนี่คือเราเราเห็นว่าถ้าท่านไม่เป็นผู้ว่าไอ้ถ้าภาพอย่างนั้นมันคงไม่เนี่ยเวลาจะเป็นของตัวเองก็ไม่ได้ต้องอันอุจาระปัจาวะตต้องทำใจต้องเกี่ยวข้องกับคนนะจะนอนไอ้เป็นเวลาก็ไม่ได้อะไรแต่ไหนเนี่ยคือในภาพเหล่านี้มันเป็นภาพที่สืบเนื่องมาจากความเป็น แต่เพราะว่าสิ่งเหล่านีมน้มันมาจากอาวิชานะมาจากอาวิชชาเราจึงเข้าใจว่ามันเป็นสุขจากการได้เป็นปัญหาว่าใครจะเป็นคนมองล่ะหรือถ้าสามัญชนมองเนี่ยจะเป็นสุขจากการเป็นแต่ต้องเป็นตัวดีๆนะฮะภาวะตัณหาของเราให้เราลองสังเกตที่เราอยากเป็นเนะี่ยดีๆแต่นั้นนะะที่ไม่ดีเราไม่อยากเป็น ส่นบาปจึงจึงจึ ง, จ, งจึงแพร่ให้กันไม่ได้จึงแพร่ส่วนบาปไม่ได้เพราะเลยเพราะเราไม่มีตัณหาในบาปเราไม่อยากเห็นว่าญาติพี่น้องไปทำชั่วแล้วก็ถูกศาลตัดสินติดคุกห้าปีจะแบ่งให้เราสองปีเราไม่เอาแต่ถ้าได้รางวัลมาห้าหมื่นให้เราสักหมื่นเราเอาคืนนี้ก็ลักษณะว่าความอยากเป็นเราต้องชอบ ถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่อยากเป็นก็กลายเป็นอหางการคือเป็นพอเป็นแล้วเนี่ยถามว่าหยุดหยุดตรงนั้นหรือเปล่ามันก็มันก็ไม่หยุดอยากเป็นไม่เรื่อยเพราะงั้นอยากเป็นในแนวยาวตังสารวัต ร, รอย่างที่พูดไว้เมื่อตอนก่อนเนี่ยเห็นว่าที่จริงมันก็มาจากอหางการคือความภาคภูมิใจในความเป็นจะรู้สึกได้เป็นมันจะเป็นสุขแล้วก็ ในขณะเดียวกันในขณะที่เราเป็นที่จริงเราก็เป็นทุกข์ด้วยนะครับเป็นทุกข์จากความเป็นเมื่อก่อนแต่งตัวอย่างนี้ได้ต่อมาแต่งตัวอย่างนี้ไม่ได้แล้วชัยยานพนะอย่างนี้นั่งอย่างนี้กินอย่างนี้ได้ต่อไปไม่ได้แล้วมันจะมีปัญหาตามมายุ่ยยะไปหมดเลยแล้วแต่มุมมองแล้วแต่มุมมองว่าเราต้องการปรนปรือตัวเป็นให้เราของเรามากขึ้นหรือไม่ ถ้าปลนเปลือไม่มากก็แสดงว่าเราก็ต้องทุกมากแน่นอนทีนี้ถ้าเรามองกลับไปว่าคนซึ่งผ่านการเป็นผ่านการเป็นมาสารพัดเป็นเนี่ยนะแล้วพอท่านไม่ต้องเป็นเนี่ยเขามีที่ทุกข์สาหัสสากันก็ยนะเยอะเสียสุขภาพจิตไปเลยเกิดว้าเววโดดเดี่ยวเดียวดายที่ปัจจุบันที่เขาเรียกโรคเศร โรคเฉามีาการซึมเศร้าไปเรื่อยๆแล้วก็ก็ตายไปนะนั่นแสดงให้เห็นหนึ่งว่าประยุทธ์มั่นในตัวความเป็นคืออหังการมันมากเกินไปแต่ว่าถ้าถ้าดูนานมาแล้วตอนที่จริงกไ็ไม่ได้เห็นเอ ง, งนะแต่ว่ามีคนมาเล่าให้ฟังมีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านเป็นอดีตเป็นมหา และ ว, วันกเกษียณนี้ท่านดีใจมากๆท่านบอกว่าทำงานเพื่อคนอื่นมานานแล้วจะได้ทํางานเพื่อตัวเองสักทีหนึ่งแล้จากนั้นมาก็หันหน้าเข้าวัดศึกษาทำปฏิบัติธรรมเจริญกรรมฐานมันเป็นความสุขความสุขที่ไม่ได้เป็นเพราะจะใช้โอกาสจากความไม่ได้เป็นเนี่ยฮนะไปสร้างสิ่งที่ที่มันมีค่ามากกว่านั้น ความคิดเหานี้คิดแบบสัตว์บุรุษธรรมดานะฮะคิดคิดแบบสัตว์บุรุษธรรมดาไม่ได้หมายถึงว่าระดับปริญญาเป็นการพยายามหาโอกาสจากการไม่ได้เป็นแต่ในขณะเดียวกันตอนที่ท่านเป็นนะท่านก็เป็นได้เป็นดีแล้วก็เป็นเป็นคือเข้าใจเป็นโดยไม่ยึดมั่นในความเป็นมองในแนวอะไรล่ะ มองในแนวเป็นการแสดงก่อนที่มาจะเข้ามาอยู่กรุงเทพเนี่ยอุปชาท่านสั่งท่านพูดสั้นๆนะแต่เราก็ติดใจยู่ทุกวันนะครับท่านบอกไม่ถึงอย่าเอามือควา้าถึงหน้าอย่าปฏิเสธอะไรก็ตามไม่ถึงอย่าเอามือควา้าถึงหน้าอย่าปฏิเสธแต่มาความเป็นสิ่งดีๆอีกนะฮะสิ่งดีๆอีก เพื่อจะแล้วก็ท่านสั่งมาอีกคํานี่เป็นคําบาลีท่านเรียกว่าสัน ล, ลหุกวุติประพฤติจนให้เบากายเบาจิตสั่งมาสองคาอันเองอุปชาสอนมาสองคาไม่ถึงเยามือคว้าถึงหน้าอย่าปฏิเสธแล้วก็สัน ล, ลหุกวุติคือประพฤติจนให้เบากายเบาจิต เรื่องใหญ่องี้ยนะนะะหมายความว่าตรงนี้เราต้องไม่มีอ่างการมากเกินไปหมายความว่าเราต้องไม่อยากเป็นมากเกินไปหรือไม่ไปยึดมั่นในความเป็นมากเกินไปเป็นการฝึกเพื่อลดนะฮะเพื่อลดต้ก็ลดไม่จะง่ายนะฮะต้องพยายามเป็นเรื่องที่ต้องพยายามเพราะพอเป็นเราแล้วมันไม่หยุดตรงนั้น มันจะเข้าสู่กระแสของตันหานะฮะพอเราเป็นนั้เราก็ได้ฮะเราเป็นนั้นเราก็อยากได้นั้นตอนนี้เราไม่ได้เป็นนั้นเราก็ไม่อยากได้นั้นพอพอเป็นนั้นเราก็อยากได้นั้นมันเริ่มต้นมาที่เราอยากได้เพื่ออะไรเพื่อเราเพื่อปลนปลือเราเพื่อให้ความสุขแก่เราความสรดวกแก่เราความยิ่งใหญ่แก่เราอะไรก็ไม่รู้นะฮะโยยะเปหมดเลยเพราะงั้น ตรงนี้จะนําไปสู่ปัญหาต่างๆอีกก็คือการไขว้คว้าปรารถนาทีนี้ถ้าเรามันใหญ่มากเกินไปนะเครียองอัตราใหญ่เนะี่ยอัตราใหญทท่ที่มากเกินไปมันก็จะมีปัญหาคือจะไม่ให้ความสำคัญแก่คนอื่นแต่จะให้ความสำคัญแก่ตัวเองการรู้สึกว่าเราเป็น แล้วทุกคนเนี่ยต้องยอมรับความเป็นของเราเพราะงั้นใครปฏิเสธความเป็นของเราก็มีปัญหาทีนี้มันก็มีโทสะแล้วมันไม่จะมีเฉพาะโลภะมันมีโทสะหมายความว่าถ้าใครปฏิเสธความเป็นของเราเนี่ยเราจะเกิดโทสะใครยอมรับความเป็นของเราโดยเกิดโลภะต่อนะฮอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้มันก็ไปเรื่อยๆนะฮะแม้แต่น้ําดื่มนะฮะเมื่อก่อนมันก็นดื่มต้องขวดก็ได้ใส่แก้วอะไรก็ได้นะ มันต้องมีกี่มีเก๋รถต้องยุ่งจังเลยนะฮะที่จริงมันคือน้ํำมันก็คือน้ำมันแหละแต่ว่ามันมันมันท่าท่าธรรมดามันกินไม่ได้แล้วมันต้องไปอะไรกันใหญ่เละนั่นแสดงว่าถ้าขาดถ้าขาดความรู้ความเข้าใจตรงนี้มันจะเพิ่มกิเลสเครียดโปโนภวิกามันเพิ่มความมีความเป็นไปเรื่อยๆกรนปลือตัวเราไปเรื่อยๆอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นแล้วก็ เราก็เดือดร้อนเพราะสิ่งที่เราอยากตั้งแต่อยากได้ตั้งแต่สวายแหวงหามาตั้งแต่ครอบครองถือครองแล้วก็สิ่งเหล่านั้นต้องเปลี่ยนแปลงไปหรือถูกเป็นภัยเป็นอันตรายถูกขโมยกระโจนลักไว้เราก็เดือดร้อนหมดแต่เพราะใจที่มันขว่คว้าปรารถนาเพื่อเสริม้ความเป็นของเรา แล้วท่านลองสังเกตนะครับพอเป็นใหญ่ๆจนจนที่มีปัญหาในประวัติศาสตร์มันก็หมายความท่านผู้นั้นท่านเป็นมากอหังการท่านมากเกินไปเมื่อก่อนพูดกันรู้เรื่องต่อมา ก, ก็พูด ก, กันไม่รู้เรื่องอย่างนโปเลียนนะฮะพูด ก, กันไม่รู้เรื่องนโปเลียนในตามตำนานเนี่ยเขาเขาไม่ค่อยเทวดารักษาแต่ฝรั่งเขาเรียกปีศาจแดงแกทําอะไรได้ฉลาดประปรองเนี่ยเพราะว่า ทำตามคําสั่งของปีศาจแดงมีคนมีคนชุดแดงเป็นเห็นกเห็นแ<ๆ>ป๊บๆนะฮะแต่ก็ได้ยินเสียงนภูรเรียนเทียงอยู่คนเดียวดังอย่างนี้ของแะสะดงเทียงยกับปีศาจแดงที่ตอนต ท, ท่านแพ้เนี่ยท่านท่านไม่ยอมเชื่อใครตอนนั้นต้นใหญ่จักรพรรดิแล้วอัตตามันใหญ่ขึ้นอังการนะ่ะนะฮะคือความเป็นหรือว่ารู้สึกเราเป็นเนี่ยมันโตขึ้น เมื่อตขึ้นเมื่อคนอื่นต้องฟังเราไม่ใช่เราฟังคนอื่นเห็นไหมฮะพอรู้สึกว่าคนอื่นต้องฟังเราเลยชักยุ่งนะฮะชักยุ่งนะยังเมื่อวานเนี่ยคุยกับท่านไปขาธิการคณะรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องกรรมธิการที่แก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะที่ก็บอกให้ถ่ายทอดนะคื อ, อยังนึกขาเราฟังแล้วมันก็ขา ม, มากคนน่ะ คือยกร่างกฎหมายนะมันถ่ายทอดไม่ได้แร้วก็จะร่างเป็นตุ๊กตากันมาสร้างประโยชน์มันก็เถียงกันตรงเนี้ยที่ซึ่งอันแก่กับเพื่อต่อจะเถียงยังไงจะใช้คำยังไงนั่งเถียงกันอย่างเงี้ยบรรทัดเตียยนี่เถียงวันนึงนะบางทีคําำเดี้ยเนี่ยคำว่าพรูชั่นน่ะราชบัณฑิตเถียงกันสามวันนแล้วถ้าเปิดถ่ายทอดทางโทรทัศน์คนฟังรู้เรื่องหรือเปล่าต้อฟังไม่รู้เรื่องนะฮะ เขากำลังเอาของมาเรียงกันเข้าความมาเรียงแล้วให้ความกระชับผลต่อไปเป็นยังไงเลยจะต้องมีการวิเคราะห์ว่าอุปถรรัมภ์หมายความวปอย่งางไรกรอบจะอยู่ตรงไหนมันจะมีจุดว่างตรงไหนมันจะมีคำถามแทรกเรืนะ่อยสมมติตั้ ง, งเขาเรียกสร้างสถานการณ์สมมติขึ้นมาเนี่ยมันคนฟังจะไม่ได้อะไรเลยจะไม่ได้อะไรเลยเพราะจริงๆแล้วเป็นการ คล้ายๆกับสร้างบ้านน่ะดูก็สร้างบ้านดูกาออิด่ะก็ดูสิจะดูทำอะไรกาะอิดยังดีได้ความรู้แต่นี้จะจะจะไม่ได้เรื่องอะไรเลยก็จะมีร่างตุ๊กตาขึ้นมาลางบรรทัดเดียนะเถียงก็ได้ตรงสองบรรทัดนนะผู้ไปเล่นไปภาษาต้องกระชับรัดกลุ่มต้องมีการสร้างสถานการณ์สมมติขึ้นสมมติเป็นอย่างนี้สมมติเป็นอย่างนี้ลองลองแก้ดูจะมันจะออกมาเป็นยังไงเพราะงั้นคำประโยคเดียวนุภูมิปนนานเลย ผู้ก น, านอามาไม่ไม่ทำขนาดรัฐมนูญเดี๋ยวทําเรื่องเหล่านี้มา น, นานเลยนะฮะนั่งเฉียงกันอยูน่นล้วบางทีไม่ได้คำเดียเองวันมันมีสถานการณ์สมมุติสมมุติเอาถ้าเป็นอย่างนั้นต่อไปเป็นอย่างนั้นเรจะทําไงซึ่งซึ่งซึ่ ง, งคนฟังเนี่จะฟังกันนอกจะจะไม่ได้อะไรเลยนอกจากเสียเวลาเสียข้าวไฟเสียอะไรต่างต่านี่คือคือแสดงให้เห็นลักษณะอย่างหนึ่งว่า โรคขาดเหตุผลคือให้ความสำคัญแก่ตัวเองมากกว่าความถูกต้องเรื่องหลักการวิธีการเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากแต่ถ้าเราันใหายขึขนเนี่ยเราก็กลายเป็นคนชี้ผิดที่ถูกไปต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้ตอองงนต้องอย่าง น, นั้นอย่างอื่นไม่ได้แล้วตกลงว่าเราไม่รู้เป็นใครนั่นเกิดเมื่อเกิดอาการหลงตนอาการหลงตัวเองว่าโต๊ะก็จริงเราคือใคร เรามีภาระมีหน้าที่ตรงนี้ไหมความรับผิดชอบตรงเนี้เราอยู่ตรงนี้หรือเปล่าล้วนกะ็นเกิดมาจากอาการที่ภาษาจิตวิทยาแต่ก็เรียงเป็นอิดอีโก้ซูเปอร์อีโก้นะฮะอิดอโก้ซูเปอร์อีโก้อีโก้นะฮะแบบแบบอีโก้มาเป็นอาการที่แรงแล้วก็นําไปสู่ทั้งตัณหาทั้งมานะทั้งทิฏฐิเพราะมันมันเริ่มที่เราให้ท่านลองสังเกตว่าถ้าไม่มีความรู้สึกว่าเราเนี่ย มันจะไม่มีการแล่ฟ้าอะไรเลยเพราะไม่มีเราแะอย่างนี้ยก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรอ่ะมันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่เราเราไม่มีแล้วก็จบแต่เพราะมันมันเกิดมีเราขึ้นมาเพราะมีเรามันก็รักเรานะฮะถนอมเราเพื่อความยิ่งใหญ่ของเราลาบยศสัสริญออะไรของเรายศศักดิ์บริวารอะไรของเราของเราของเรานี่ในแนวของศีลธรรมจัร ญ, ญา ไม่ใช่แนวมพระนิพพานนะฮะ ร, ระดบับสินธรรมจัญญาเนี่ยพระเจ้าก็สอนเรื่องเรานะฮะให้เราสังเกตว่าเราเนี่ยเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาการรักรากเป็นธรรมดามีกรรมเป็นของคนตนก็แสดงว่ามีเราแต่หมายความว่าใช้คําว่าเราเนี่ยให้รู้เราความจริงว่าเราไม่ใช่หลงไปอย่างนั้นไม่ใช่เข้าใจว่าเที่ยงแท้แน่นอนอย่างนั้นใหญ่โตขนาดนั้นมันไม่ใช่ เรามันเป็นกระบวนการธรรมชาติที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดครากต้องสูญเสียไม่มีใครจะหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ไปได้มันจะทำให้เข้าใจปัญหาเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นจนถึงกับเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยออมันก็มันก็เป็นอย่างนี้ เอวังทมโมเอวังพาวีเอวังนาติโตธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้สภาวะมันเป็นอย่างนี้ไม่มีใครจะผ่านพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้สีนี้ถ้าถ้ามันเข้มเนี่ยมันไม่จะเกิดเฉพาะความมีความเป็นแต่มันจะเพลิดเพลินในความเป็นความเป็นเรานะฮะความเป็นเราที่รู้สึกเราใหญ่ขึ้นใหญขึ้นแต่เพลิดเพลินเพราะมันจึงมีการฉลองในการฉลองความเป็นเนี่ยนะฮะ การฉลองความเป็นตอนนี้รพระกำลังรับพัดกันมีข่าวลงสุพิม์ฉลองพัดอยู่เรื่อยไปฉลองกันไปเรื่อยอันนี้ก็คือก็คือเพลิดเพลินกับความเป็นแล้วก็มีการเฉลิมฉลองแสดงในความชื่นชมยินดีต่อความเป็นเหล่านั้นแล้วจะเพลิดเพลินยิ่งๆไปเรื่อยนะแค้าไปเรื่อยครับเพลิดเพลินไปเรื่อยมันมันก็มันก็อะไร มันเหมือนที่ที่ที่ที่ที่พเจ้าเล่าเล่าเล่าถึงหมาจิ้งจอกทีนี้มันเพลิดเพลินในในเนื้อช้างตายนะฮะคือมันกินช้างเข้าไปทางตะวันหนักแล้วเข้าไปเรื่อยกินมันเพลินไปเรื่อยเพลิเื่อเพลินไปเรื่อยจนจนมุดไปข้างหน้าไม่ได้ดูข้างหลังเลยฝนตกหนักซากซางไอซากของช้างมันไหลลงในในหมาสมุดตัวเองก็ไม่รู้อยู่ข้างในนั่นนหะ แล้วก็พออากาศเย็นขึ้นมาปากสว่านหนักของช้างก็ปิดตัวเองก็ติดอยู่ในนั้นแต่ก็ดิ่งกว่าจะหลุดมาอาอกมาออกผนร่วงหมดเลยอันนี้ก็เป็นภาพที่เป็นรู ป, ปรธรรมทรงสอนดูถึงสภาพจิตที่มันดิน่งดิ่งแล้วมันก็มันก็อะไรคือสร้างทุกข์แก่ตัวเองสร้างความเดือดร้อนแก่ตัวเองนั่นคือพวกอหังการแปลว่าคําเป็นแต่อย่าลืมนะว่าระดับหนึ่งถ้าเราคุมได้เนี่ยมันมันมัน ไอ้ความเป็นนี่เราตัดไม่ได้เราไปถึงนิพพานนั่นแหละจะทำยังไงว่าคุมทิศทางความเป็นแทนที่เราจะคว้ามาสนองความเป็นเราจะดูตัวความเป็นนะดูตัวความเป็นแล้วก็พิจารณาที่ตัวความเป็นเราจะปรับปรุงแก้ไขยังไงในสถานะของเรานะเช่ น, ชนพิจารณาเรื่องความแก่เจ็บตายอย่างว่าก็ส่วนใหญ่ก็คือพิจารณาที่กรรม พาเราจะเป็นได้เป็นดีเป็นเป็นเนี่ยมันก็อยู่ท <Yes. S 1> ี่การกระทำของเราถ้าเราทำดีเราก็เป็นคนดีเป็นคนทำดีเราก็เป็นคนดีถ้าเราทำชั่วเราก็เป็นคนชั่วเป็นคนทำชั่วทำให้เกิดการรับผิดชอบในความเป็นแทนที่จะมุ่งเสนอสนองนะฮะแทนแทนที่จะมุ่งตอบสนองความต้องการของตัวเพื่อปลนปลื้ตัวเองก็จะเกิดสำนึกรับผิดชอบ เวลาพระนั้นทรงสอนคําว่าสัญญาแปลว่าสมณะสัญญาคือมีความรู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้มีหน้าที่มีภารกิจอย่างไงจะต้องรประพฤติปฏิบัติอย่างไงก็ทําอย่างนั้นถ้าอุบฑ์ก็เรียกบัณฑสัญญาจิตสํานึกว่าเราเป็นอุบาสฑ์สานึกว่าเราเป็นนุบาศกิกาสมนึกว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกนะมันจิตสํานึกยอมรับสถานะที่เราเป็นแล้วก็ปฏิบัติให้เหมาะสมสอดคล้องกับคนที่เราเกี่ยวขอ้องกับท่านตามสถานะของเรานะฮะ อย่างเรากระเพาะแม่ปุนเวนปฏิบัติอย่างไงก็ปฏิบัติอย่างนั้นนี้ที่จริงก็คือเป็นนะนะมันเป็นอหังการเหมือนกันคือรู้สึกรบเป็นแต่มันมันลดความรุนแรงลดความรุนแรงจนจนให้ความสำคัญแก่ตัวเองนะฮะปรับตัวเองให้เหมาะสมถูกต้องแล้วจะแก้ไขปรับปรุงอะไรอะไรก็มาดูที่เราคือไม่ดูที่คนอื่ออย่างที่รับสั่งว่า อย่าใส่ใจสนใจถึงคำหยาบคายร้ายกาจของคนเราอื่นหรือว่าสิ่งที่ทําแล้วและยังไม่ได้ทําของคนเราอื่นแต่ดูให้ใส่ใจสนใจในเรื่องที่ทําแล้วและยังไม่ได้ทําของเราเพราะว่าเรื่องเ ร, เราเราแก้ไขได้เรื่องคนอื่นเราก็แก้ไขไม่ได้แต่คือยุ่งยากมากมันก็เหมือนกับเรื่องเรื่องเปรตแก้คนนอนมืาล า, าอย่างที่โบราณท่านเล่าน่ยมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้ ทินี้ ม, มังการเนี่ยมะมังการก็คือของเรานะฮะ ม, มังการหมายความว่าของเราของเรามันเกิดจากมีเราแต่ไม่มีเรามก็ไม่มีของเราเพราะเพราะการรู้สึกว่ามีเราเราก็ปล่อยฟ้าเพื่อปลนปลือมาหาเราอาจารย์สุีิปุญญาณุภาท่านเขียนหนังสือเรื่องเรื่องเชิงผาหิมาผานเป็นการสะท้อนภาพของของความเป็น กับความไม่เป็นกับความเป็นของเรากับความไม่เป็นของเรานะฮะสองตอนเส็จเป็นสมมตเป็นเป็นเป็นตัวละครเป็นราชกุมารโอ้ยเมื่อก่อนท่านเป็นยุ่งไปหมดหรือของเราเยอะเลยแล้วเสร็จแล้วท่านเหนื่อยหน่ายท่านท่านท่านท่านเบื่อสภาพชีวิตเหล่านั้นมันวุ่นวายมันหมดความเป็นตัวตัวเองถ้าก็หนีเข้าป่าตั้งสํานักสอนหนังสือสอนหนังสือมันก็ คนะวามของเราน่ยมันน้อยพอของเราน้อยเราจะเห็นมาทุกมันน้อยแม้แต่เรามากเนี่ยเราทุกเราจะมากยมลองสั ง, สงเกตดูว่าคนใหญ่คนโตเนี่ยแม่แมไปถึงนั่งนี่ตรงไหนไมันต้องมีศักดิ์ศรีต้องสมศักดิ์ศรีอันนี้เก้าอี้เหล็กอันนี้เก้าอี้อย่างนั้นอันนี้มันเบาหนวัวอั น, นี้มันก็เป็นชั้นชั้นชันชนชน้ต้องนั่งสมศักดิ์ศรีตัวเองไม่สมศักดิ์ศรีตัวเองเกิดเดือดร้อนแล้วเกิดโทสะเกิดโลภะอยากนั่งอย่างงั้นอย่างนั้นแต่มันไม่ได้มันก็เกิดโทสะ โทรศัพท์แล้วเดือดร้อนก็ดื่แล้วทีนี้อาจ้าหน้าชี้อาจจะถูกย้ายภายในยี่สี่ชั่วโมงอะไรแต่อะไรก็วุ่นกันไปใหญ่เลยนั่นก็เกิดมาจาราเป็นราเป็นราเป็ น, ปนจนเพลินจนใหญ่ไปแล้วพอของเรามันก็ต้องเหมาะสมแก่เราเป็นแต่ะ ม, มันก็กลับมาที่เดิมมาที่อยู่ที่อาศัายเครื่องใช้ไม้สอยบริษัทบริวารารถราแม้แต่ถ้วยน้ําอะไรถ้วยโถโอชาในมันก็เหมาะสมแกศัก์ศีลของเราหมดเลยเป็นปัญหาการไขว้ า, วาเพื่อ บำรุงบำเรอตนเองแล้มาติดใจวันก่อนดูนักข่าวทํารายการวิทยุคนหนึ่งที่เขาเล่าเขามาสัมภาษณ์อะไรต่ออะไรแล้วเขาคุยถึงว่าบ้านเขาสร้างหกสิบล้านนะี่ะนะฮะมีลูกสองคนมีกับเมียก็อยู่กันสี่คนที่บ้านเนี่ยบ้านราคาหกสิบ้า น, าาานเราก็นึกไม่ไม่ออกไอ้บ้านราคาหกิบล้านมันใหญ่โตขนาดไหนแต่ก็ถามมันสร้างทำไมมันใหญ่โตเกลต้องการความสะใจ ดังการความสะใจนั้นที่จริงไม่ใช่สุขใจนะฮะแต่คุณจะเห็นว่ามันจะแสบใจคือตัวเองเคยถูกเช่าบ้านแล้วถูกไล่ถูกขูดรีด อ, อะไรค่าเชงาก็เช่าอะไรก็พอมีเงินขึ้นมาก็ต้องการสะใจบ้านใหญ่โตโมโรานนะฮะมีคนเป็นนายสี่คนเราต้องจ้างลูกน้องมาดูแลบ้านแตน่ดูสภาพชีวิตแล้วก็ไม่ใช่เป็นเป็นสุขอะไร แต่นี้ก็คือก็คืออะไรคือมันมันรู้สึกว่าตนมันใหญ่ขึ้นนะเมื่อก่อนตัวเล็กๆก็อยู่บ้านเช่าเบาบ้างปนๆกระกันไปแต่มันมีลักษณะสะสมมากก็ทําให้มีกําลังมากขึ้นคล้ายๆการสะสมของเชื้อโรคห้สมของไวรัสอะไรแต่อะไรเจียนนิดเจีนหน่อยมันก็สะสมไปเรื่อยๆแล้วกลายเป็นแรงที่มีกํำลังสะสมสารพิษอะไรมันก็แนวนั้นนั่นนะหมายความว่าท่าอย่างเดียวมันก็ไม่แม่เคยมีปัญหาอะไรแต่พอดีมันสะสมมากมากขึ้น ก็ทําให้มีปัญหาทําพบรมชาติของคนให้เพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่มันก็อยู่กรรมประเภทนี้นะฮะกับประเภทปูละกักรรมอีกประเภทหนึ่งก็เรียกว่ากัตตากรรมหรือกตวาปนากรรมในนี้เรียกว่ากัตวาปนากรรมก็อย่าไปติดใจมากแล้วกันนะฮะชื่อเรียกยังไงก็ได้เป็นกรรมที่ทําศักแ์แปลว่าทํานะไม่ค่อยเต็มด้วยเจตนาะท่านบอกบอกว่าเหมือนกับ เหมือนกับลูกสอนให้คนบ้ายิงคนบ้าโยนท่อนไม้ไปเหมือนกัมีทิศทางอะไรนะฮะแต่มันก็มีการโยนนะฮะถูกหัวคนก็หัวโนโได้เหมือนกันเพราะงั้นพวกเหล่านี้ส่วนมากแล้วนี่ไม่เต็มตามเจตนาที่เราบอกว่ามันเป็นเวรมันเป็นเวรเราเราเราคงได้ยินคำว่าเป็นเวรคือมายความบางทีเราไม่ได้เจตนาเราไม่ได้เจตนาอะไรแต่เขาเกิดเจตนาขึ้น ที่เคยเล่าถึงภิกษุรูปหนึ่งท่านท่านเย จ, จีวอเย จ, จีวรนมันก็แทงเอาเลนตายนะครับผ้ามันมีเลนมีตัวเลนอยู่แล้วก็แทงเอาเลนก็เสียบหลังเลนเลยก็เลนตายท่านก็ไม่รู้เรื่องเนะี่ยเลนก็ผูกใจเจ็บต่อมาท่านท่านในยุคพุทธกาเนี่ยท่านก็เกิดเป็นกุลบุตรแล้วก็ศรัทธาเริ่มใสในพุทธศาสนาก็บวชเป็นพระไม่ใช่บวชเป็นพระสิ เป็นนายพลานเป็นนายพลานแล้วก็ถูกสุนัขตัวเองเนี่ยกัดตายเพราะแกล่าแกไล่แทงพระแทงพระพระวิ่งหนีขึ้นต้นไม้หนีพระก็หลบไปหลบมาจีวรมันก็หลุดจีวรหลุดมันก็่วงลงมาก็ไปคล่อมร่างของแกกําลงแกไอไอหมาของแกนึกว่าพระหล่นลงมามันก็กัดตรงทางทางทางจีวรแล้วก็ตายอันนี้เป็นเป็นลักษณะของ ของของของบาปรกรรมแต่ว่าพระไม่ใช่พระพระพระตันหลบในพรานนะพระตันหลบในพรานแล้วก็ในพรานเข้าใจเป็นเนื้อก็พุ่งหอกไปแทงต่างๆอันนี้คือกรรมที่เรียกว่ามเป็นเวรและลักษณะแค่ๆเป็นเวรเราไม่ได้จงใจทําแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าคนอื่นคนอื่นก็คิดยังไงนะฮะเราอาจจะจะคิดว่าเราเราไม่ได้จงใจไม่ได้ตั้งใจแต่คนอื่นก็อาจจะปล่งเวรก็ได้ดังนี้บาลีจะเรียกว่า ก, กัตตวาพน ก, กรรมหรือกตะกัตกตากรรมกรรมจักแต่ว่าทํา ไม่ได้เต็มตามเจตนาจริงแต่ว่าอาจจะสร้างปัญหาแก่คนอื่นได้เราก็ไม่รู้เราก็อาจจะจองเวรเราได้แต่กรรมมันก็มีอยู่สามระดับนะความเข้มข้นมันก็มีอยู่สามระดับอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าลืมไปอย่างหนึ่งเขาเรียกอาสนกรรมอาสนกรรมนั้นเป็นกรรมที่มันเกิดขึ้นในขณะนั้นๆมาความเราเคยทำดีมาก่อนก็ได้ทำชั่วมาก่อนก็ได้นะก็แล้วแต่ ลักษณะนสายเราอาจจะเป็นยังไงก็ได้แต่ว่าในตรงนั้นมันบูบตรงนั้นมันดีขึ้นหรือชั่วขึ้นนะอันนี้เราจะกลับไปเห็นที่ในเรื่องจุลกรรมไปพังกระสุดที่ทรงแสดงว่าคนทาความดีในปัจจุบันเนี่ยตายแล้ววังเกิดในสุกติก็มีอันนี้ดูแล้วไม่เคยมีปัญหาอะไรนะแต่ในรายละเอียดที่จริงต้องศึกษามกันว่าสุกติเนี่ยมันเกิดด้วยกรรมอะไรตายแล้ววังเกิดในทุกติก็มี เ, เกิดในทุกตินี้ประกรรมอะไร พวกคนทําชั่วในปัจจุบันนั้นที่จริงนั้นกรรมมันมีทั้งอดีต ด, ด้วยมีอดีตรกรรมมีปัจจุบันกรรมและกรรมก่อนจะเกิดผลมันเป็นบูบเดียวนะฮะบุบเดียวค่้าก็ยิตที่เคยยกตัวอย่างว่าเราขับรถมาได้ดีแล้วมันเกิดงีบเพิ่มหลับแป๊บเดียวรถชนเรียงเห็นไห ม, มันมันลักษณะงั้นนิดเดียวไอ้ดีมาตั้งหลายร้อยกิโลมันช่วยอะไรไม่ได้ แต่มันจริงๆแล้วมันบูฟเดียวเท่านั้นถ้านับเป็นนาทีก็ได้ต่้งนาทีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนี่ก็เรียกว่าอาสานกรรมกรรมเมื่อจวนจะตายกรรมเมื่อจวนจะอะไรเกิดปัญหาอะไรแล้วความคิดตรงนั้นมันเกิดตัดสินปัญหาขึ้นมาถูกก็ไม่รู้อาจจะถูกหรืออาจจะผิดก็ไม่รู้แต่มันต้องรับผลตรงนี้ไปก่อนแล้วผลตรงนี้ไปก่อนถูกก็รับผลไปนะผิดก็รับผลไปก็เรียกว่าอาสานกรรมกรรมเมื่อจวนจะตายอันเนี้ย คติไทยเราที่พยายามสร้างอาสนกรรมกันเวลาคนจะตายก็บอกบอกทางนะฮะบอกอารหางบอกอะไรต่ออะไรก็คือแนวสร้างอาสนกรรมให้อพระไปะสวดอิติปิโสเพื่อดึงจิตให้มาอยู่กับบทอิติปิโสเวลานี้ก้าวหน้าไปเยอะนะฮะมีเทพสวดมนต์สวดอะไรเนี่ยอามาว่าดี น, ะนะเช่นว่าคนป่วยนี่ให้ฟังเทพสวดมนต์ไปเรื่อยใจมันจอยจนนั้นเนี่ยใจมันเกาะอจนนั้น คืออย่างอย่างอื่นนี่จะทําได้ยากมากนะฮะสมรับใจที่มันมันกระสับกระสายกายที่กระสับกระสายใจกระสับกระสายเนี่ยเราจะไปพูดจะไปอธิบายทำมาสคงทายากเพราะฉะนั้นทําอะไรให้เกิดคุณนะ่ะเปิดเสียงส่วนบนแผ่วๆไว้เรื่อยๆเปิดไปเรื่อยๆแล้วถ้าเขาสนใจเขาขอเสียงเองเขาขอขอเสียงเราก็เร่งเสียงไปเรื่อๆจนว่าจิตมันเกาะอยู่ตอนนั้นะ เกาะอยนั้นวิ่งมันวิ่งไม่ไกละนะฮะหมายความว่าจิตมันวิ่งไม่ไกลให้มันเกาะเกาะอยู่กับเสียงท้องสวดมนต์เสียงสวดหรือเสียงธรรมะแต่ที่จริงแนละ้วเสียงสวดนี่น่าจะดีกว่าเพราะมันเกิดสงบเสียงสวดมันช่วยสงบเสียงธรรมะบางทีแกเกิดไม่เข้าใจกันมาแล้วยุ่งคิดต่อย เ, เสียงสวดมนต์นี่จะดีมากๆเสียงสวดมนต์บาลีนะฮะเสนกร้องแล้วก็สวดนิ่นมๆตับโบราเนี่ยก็แนวสร้างอาสนะกรรม แ้ก็ไ่เสริมมาสันนกรรมเพื่อกรรมมันดีพวกนี้มันก็ไปอำนวยผลเป็นปัจจุบันนะเป็นชาติต่อไปหรือเป็นชาติต่ อ, ต, อต่อไปที่อื่ลนลักษณะเขาเรียกว่าอประปริยายะเวทานิยกรรมเนี่ยมันเป็นกรรมที่ตามเรามาเรื่อยๆื่อเราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้นะเรื่องกรรมเนี่ยนั้นตามหมดอะ พระพุทธเจ้าของเราที่จริงโดยวิบากขันวิบากขันหมายความว่าพุทธสิริระที่เหลือน ะ, ะพสิริราที่ที่เหลือหมายความว่าหลังจากตรัสรู้แล้วเนี่ยอืมที่จริงก็ไม่มีกิเลสเป็นอิริยาบถกรรมอะไรอีกแล้วนะแต่ว่าเขาเรียกถือว่าวิบากขันเพราะขันก็ราองในเกิดมาเพราะมีกิเลสอยู่นะตอนนั้นก่อนตอนเกิดเป็นเจ้าชายติทาตายังมีกิเลสอยู่นะฮะเรียกเป็นวิบากขันก็ต้องรับอ น, นะฮะต้องรับผลกรรมไปเลย เราจึงพบว่าผู้เจ้ามีรับผลกรรมอยู่บ่อยแม่นางกินจะนาวิกาไปกล่าวโจทอะไรต่ออะไรที่จริงก็เป็นผลกรรมนะนะอกรรมของพระองค์ก็ได้รับสา่งเล่าว่าอันนี้มันเป็นบาปรกรรมที่ทำไว่อย่างนั้นอย่างนั้นก็มาชดใช้แต่สมัยพระเจ้าอยู่ก็มีคนบอกให้นะว่ากรรมนั่นกรรมนั้นก็เพราะอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ในปัจจุบันเราก็วิธีสบายที่สุดก็คือสันนิษฐานไว้ก่อน แนิฐานไว้ก่อนว่ามันเป็นวิบากกรรมวิบากกรรมที่เราคงจะเคยทำอะไรกับใครยังไงเอาไว้นะฮ ะ, ะเขาก็มากล่าวหามาใส่ร้ายมาอะไรก็ช่างเขาเราก็อย่าไปสร้างกรรมใหม่เลยกันอย่าไปสร้างกรรมในลนักษณะเป็นกรรมชั่วนะฮะลักษณะกรรมชั่วถ้ากรรมดีก็สร้างไปแต่ถ้ากรรมชั่วอย่าไปสร้างกรรมเพิ่มขึ้นหมายความว่าชดใช้กันให้จบๆไป เพราะว่าชีวิตของเรามันก็ต้องเจอต้องเจอพวกพวกนี้นะฮะมั น, ม, นมันไม่รู้อะไรล ะ, ะกรรที่ให้ผลในปัจจุบันกา ร, รให้ผลในชาติต่อไปไอชาติปัจจุบันบางที่จริงมก็เป็นชาติต่อไปของชาติก่อนเจอมั้ยฮะแล้วก็อาจจะเป็นชาติต่อต่อไปของชาติก่อนก่อนที่ผ่านมาแล้วเพราะงั้นเห็นไหมว่าในชาติปัจจุบันเราอาจจะเจอกรรมได้ทั้งสามอย่างเนี้มันเป็นอนดีตอยู่สองกรรม ห sa มายคชาติก่อนชาติก่อนก็คือสมมุติว <en> er ่าชาติก่อนเราเกิดเราเป็นนายกราชาตินี้เราเกิดมาเป็นเราเนี่ยกรรมที่เราทํำสมัยนายกอมันก็มาให้ผลเราแก่เราในชาตินี้ได้หรือว่าชาติก่อนๆหมายความว่าชาติก่อนโน้นในสีห้าชาติที่แล้วเนี่ยมันก็ตามมาให้ผลเราได้ตกลงว่าในชาติเนี้เรามีกรรมในปัจจุบันในขณะเดียวกันเราก็มีกรรมที่ต้องชดใช้หลังจากเราเติทํามาในชาติก่อนหรือชาติก่อนๆนั้นตตรงว่าเราจริงๆเรามีทั้งสามชาติซ้อนๆกันอ มีสามชาติซ้อนกันอยู่คือมีกรรมสามอย่างน้อยสามกรรมเนี่ยซ้อนกันอยู่แต่สองกรรมหลังนี่เราไม่รู้เราไม่รู้เราทําอะไรไว้บ้างดังนั้นเวลาเกิดขึ้นเนี่ยสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะโยงให้ดูได้ทั้งหมดว่าอะไรเป็นอะไรแต่ท่านเหล่านั้นก็ทําใจสงบแล้วกันนะก็จะใช้กรรมกันไปทีนี้เมื่อเมื่อกล่าวโดย โดยความแรงของกรรมโดยความแรงของกรรมท่านก็จําแนกเป็นเป็นสี่ระดับนะครเป็นสี่ระดับเขาเรียกว่ากรรมกรรมประเภทแรกเขาเรียกว่าชนุกรรมคือให้เกิดกรรมที่นําให้เราเกิดทําให้เราเป็นด้วยก็ได้นะครนําห้เราเกิดหมายความมาเกิดมาอะไรล่ะถ้าสมบูรณ์หมดมันก็มันก็หายากนะแต่จริงคนสมบูรณ์หมดเนี่ยหมายความว่าคติก็ดีคือสติสถานที่เกิดก็ดี สาทสกกทออนที่เกิดตระกูลที่เกิดครอบครัวที่เกิดเนี่ยมันดีก็หายากแล้วก็อุปชิรูปร่างดีฮะรูปร่าง ด, ดีสุขภาพาพลานาะมัยดีไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยบางคนเนี่ยไม่เคยป่วยมันเยี่ยมจริงๆเลยอันนี้ก็คือคนที่เรียกว่าได้อุปชิสมบัติรูปร่างดีบุคลิกลักษณะดี แต่เราสังเกตนะฮะว่าเด็กๆบางคนอายุแค่สิบกว่าในกันดังแล้วเบิดเปรี้ยงปรางแล้วน ะ, ะดังระเบิดคนรู้จักกันทั่วประเทศไปแล้วทั่วโลกไปแล้วอันนี้ก็แสดงว่าเป็นผลบุญของเขเ ป, เป็นเป็นเป็นอุปธิสมบัติประการต่อไปคือการสสมบัติยุคสมัยนะฮะยุคสมัยสมบูรณ์ยุคสมัยมันให้เขา อันให้เขาว่าคนเรียมเกิดมาเหมาะสมกับยุคสมัยแล้วก็ทําอะไรเขก็จะเริ่ดก้าวหน้าไปทํานองคล้ายๆกับผิดของแล้วก็ตลาดต้องการนี่นทีว่าเนี่ยยันหนึ่งก็คือประโยคการกระทําที่เหมาะสมสอดคล้องเป็นคนที่มีเหตุมีผลที่เราพูดมาในปัจจุบันที่เราเอามาใช้กั น, นพูดง่ายๆเนี่ยพูดง่ายว่าทําความดีถูกที่ ทำความดีถูกคนทำความดีถูกการทำความดีถูกดีนะถ้าถ้ามันถูกสี่ถูกนี้แล้วก็เรียบร้อยทำความดีถูกที่ทาความดีถูกคนทำความดีถูกการทำความดีถูกดีทำความดีถูกดีก็ก็ใช้ได้นะซึ่งซึ่งแต่ละอย่างบางทีอาจจะมีปัญหาเช่นเราทำความดีผิดการมันก็ดีนะฮะแต่ผิดการเราดูตัวอย่างง่ายๆนียเช่น ในช่วงที่เราจะนั่งสมาธิเดีวนั่งคุยเสียคุยธรรมะนะฮะจริงจริงคุยธรรมะแต่ว่าพอดีเพื่อนนั่งสมาธิเราคุยธรรมะมันตรงนั้นมันไม่ดีดันงนั้งที่สิ่งที่เราทําก็ดีนะฮะแต่ว่าผิดกาักษณผิดกาลักษณ์ผิดเทสะมันก็ทําให้การกระทํานั้นกลายเป็นวิบัติคือไม่ดีไปทีนี้คนเราจะให้พร้อมหมดเนี่ยนะหาย ให้พร้อมหมดเนี่ยมันมันจะลําบากดังนั้นพระเจ้าจึงมันเน้นที่ตัวประโยคะคือตัวการกระทําตัวการกระทําเราแก้ไขได้เราปรับปรุงได้อย่างที่เคยยกตัวอย่างเช่นความงามอย่างนี้ฮะความงามมันก็มีอยู่สี่ระดับไอ้สองระดับแรกเนี่ยไม่รู้จะทํำยังไงมันมีเงื่อนไขปัจจัยอย่างหนึ่งก็คือเงื่อนไขาทางเศรษฐกิจเงื่อนไขาทางสังคมเงื่อนไขาทางวัฒนธรรมอะไรอะไรมันมีองค์ประกอบความงามโดยการเครื่องประดับประดาตกแต่งร่างกายสวยงามอะไรเนะะี่ย ยังนึกคําอ่านหนังสือหลวงปู่ชอบหลวงปู่ชอบเน่าตอนพท่านอยู่จะในป่าเลยกรรมฐาน ท, ท่านท่านกำลังลุงปู่เขาะในหลวงในหลวงจะไปจะไปกราบเยี่ยมแล้วก็ส่างให้หลวงปู่ชอบอยู่ด้วยจะขอกราบหลวงปู่ชอบหปู่ชอบนั่งคอยปรากฏว่าในหลวงเสด็จกลับไปแล้วในท่านบอก เห็นในหลวงที่ไหนมามีแต่ทหารสองคนมาท่านไม่รู้อ่ะท่านท่านนึกว่าพระเจ้าแผ่นดินนต้องสวมเดาสวมมงกุฎท่านบอกไม่เห็นสวมฉดาอย่างนี้ข่าวหลวงปู่นี่น่าสนุกดีจังแล้วตอนตอนต้นเด็ดพระนางเจ้าเข้าเฝ้าที่ว่ดเข้าเข้ากราบที่วัดพระศรีที่งานศพพระที่ตกรังสิตเนี่ยนะเป็นไงเนี่ยหลวงปู่ท่านไม่รู้อ่ะท่านไม่รู้ไป็ต้นเด็ดพระนางเจ้า คือท่านท่านท่านไปคิดท่านท่านคือท่านท่านเห็นในในนั้นของท่านนะฮะท่านท่านเก่งทางทางที่ปจักษสุดเทวดาพระราชาอะไรต่อะไรมันมีมงกุฎมีอะไรมันสวมต่างคนนึกว่าต้องต้องมีมงกุฎสวมเลยไม่เห็นก็ดีนะฮะก็การแสดงถึงถึงถึงความ ความทรงจํานะฮะความทรงจําท่านที่ท่านทรงจําไปอีกอย่างหนึ่งทรงจำไปอีกอย่างหนึ่งพอพอเป็นอีกอย่างหนึ่งท่านก็ไม่ได้ว่ามันจะเป็นอย่างีเไ อ, อลักษณะของของกรรมประเภทเนี้ยประเภทอแต่งให้เราเกิดเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ากรรมดีหรือไม่ดีนะกรรมดีหรือไม่ดีนี่ก็ว่าก็ว่าเท่าถ้าทีา่เกิดพวกนี้ทําหน้าที่เสร็จก็จบจบแค่เกิดถ้านอุปมาเหมือนกับ พ่อแม่เกิดแล้วมันก็หน้าที่เลี้ยงดูเลี้ยงดูก็เป็นเรื่องของพี่เลี้ยงนางนมอะไรแต่อะไรก็ช่วยกันเลี้ยงดูหน้าที่เกิดก็จบละจบตอนเกิดแม่นะฮะหน้าที่จบตอนเกิดเกิดก็จบจบที่เกิดนะฮะต่อไปมันก็เป็นหน้าเป็นหน้าที่เื่องอื่นต่อไปก็เรียกว่าอุปธรรมปรกรรมคือกรรมหนุนกรรมหนุนเมื่อก็ก็อย่างที่ว่าแล้วนะฮะหมายความว่าเสริมในด้านบวกก็ได้ด้านไม่ด้านลบก็ได้ สมมติว่าเราเกิดมาด้วยอากุศลกรรมอากุศลกรรมเป็นพวกเดียวกันมันก็เสริมให้มันแย่ลงอีกลักษณะเคราะหร้ายไ่รุมบีซ้ํตั้ํเพราอย่างที่ว่าพวกนี้จะเป็นพวกเดียวกับกับกรรมที่ทำให้เราเกิดท่านบอกว่าบางทีเราเกิดมารูปชั่วตัวดำมารูปร่างมันไม่ดี เวลาเติบโตขึ้นมาคนก็รังเกียจคนก็ไม่ชอบไม่ส่งเสริมสนับสนุนให้งานให้การกงานที่มันมันต่ําๆงานที่ไม่ค่อยมีรายได้นี่แสดงว่ากรรมก็หล่อเลี้ยงแต่ว่าหล่อเลี้ยงให้แย่ลงไงนะฮะหล่อเลี้ยงให้แย่ลงแย่ลงก็หล่อเลี้ยงนะฮะกรรมมาปฏิสารโนคือกรรมกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างที่เราสวอนอีกหนึ่งก็เรียกว่าอุปปีริกกรรมคือกรรมที่มาเบียดมาบีบ ทำให้กรรมดีหรือกรรมชั่วก็ไม่รู้นะฮะที่ที่ที่ให้เราเกิดมาเนี่ยมีกําลังน้อยลงมีกําลังน้อยลงเช่นสมมติว่ากรรมกรรมชั่วทําให้เราเกิดมาในสกุลที่ไม่ดีนะแต่พอดีเป็นเป็นเป็ น, ปนคนที่มีบุคลิกดีอะไรแต่ไรดีก็ทําให้มีคนเมตตาสงสารสงเคราะห์นุเคราะห์ช่วยเหลือก็ก็ ก, ก็ก็จะลดความรุนแรงลงไป หรือบางทีเราเกิดมาดีไอ้กรรมกรรมชั่วก็มาเบียนทําให้เราทําให้เราลดความดีลงไปนั่นคือความสลับซับซ้อนความสลับซับซ้อนของกรรมประการต่อไปนั้นเขาเรียกว่าอุปค า, าตกรรมเป็นกรรมใหญ่นักเลกโตดีก็ได้ไม่ดีก็ได้เหมือนกันนะนะมันจะเข้ามาให้ผลเองเลยหมายความว่คนเกิดมาแล้วคนบางคนนี่พลิกพริกหน้ามือไปหลังมือไปเลยนะฮะพลิกหน้ามือไปหลังเลย ดูแล้วไม่น่าเชื่อว่าจะไปได้อย่างนั้นแต่ก็ก็ไปเองขาได้แต่ระเภทนี้จริงมีน้อยเป็นคนน้อยแล้วคนที่บางคนก็เกิดมาดีกรรมชั่วตามมาพจนเกิดพลาดพราดพ่อมแม่ล้มตายเกิดอันตรายสกุลล่มละลายระดับลุ่ไปกับมันอุตลุษเหมือนกันนี่ก็แสดงให้เห็นถึงกระบวนการของกรรมที่มันสืบเนื่องมาจริงๆนะก็สืบเนื่องมาจากความโลภความโกรธความหลง ที่เป็นบาปเป็นอกุศลและที่ส่วนเป็นความดีงามทั้งหลายก็เป็นเรื่องของบุญกุศลทีนี้เราจะเห็นว่าตัวอย่างพระเจ้าตุตคามมนีอภัยที่เล่าเมื่อกี้เนี่ยนะฮะท่านเล่าไว้ทั้งสองตอนท่านเล่าไว้ทั้งสองตอนคือหมายความว่ากรรมที่ให้ผลในปัจจุบัน ให้ผลในปัจจุบันทําทานแรงมากนะขนาดตัวเองหิวทราแทบขาดยังไม่ยอมยังไม่ยอมกินเพราะว่าตั้งสัจจาไว้ว่าต้องทําบุญตักบาทให้ก่อนแล้วท่านก็ทําต่อมาท่านกลับเข้ามาเป็นพระเจ้าแผ่นดินครองอนุราตพุระนะฮะตีลังกาตอนนั้นน่าดูนะพระสืบมาตั้งกองทัพเลยนะพุทธมินนะฮะทมินจากอินเดียใตย้ยกมาตีลังกา พระเจ้าวัตคามเนียภัยเนี่ยทศกาลเมเนียภัยเนี่ยก็หนีกล้าไปอยู่กับพระต่อมาพระก็สงเคราะห์นุเคราะห์เลี้ยงดูก็เห็นว่ามันมันถูกต่างชาติรุกพระก็สึกขึ้นมาชุดหนึ่งจัดกองทัพเลยน้าน่าดูเหมือนกันประเทศลังกาเคยทําเมืองไทยเรายังไม่เคยนะครับพระสึกมาจัดกองทัพแต่ยังไม่เคยจัดกองทัพรบชนะนะฮะชนะขับ ขาดสืบโธมินตกทะเลขึข้นเกาะ อ, อินเดียแล้วก็จัดการบ้านเมืองเรียบร้อยพระส่วนหนึ่งกลับเข้าบวดอีกทหารส่วนหนึ่งนะฮะกลับขบวชอีกแล้วตั ว, ต, วตัวแม่ทัพ บ, บรรลุมัผลเป็นพระหันเป็นพระหันไปก็เป็นประวัติศาสตร์ตรงนี้ที่เราเห็นได้ชัดว่าลังกาเนี่ยเคยสู้แรงมาก เคยสู้แรงบางทีพระราชาจับพระทิง้งภูเขาทีเดียวหกสิบรูปนะฮะท่านที่ไปลังกามาหินทะเลคงจะเห็นมาหินทะเลนะฮะหินทะเล ต, ตรงนี้พระเราเคยถูกโยนภูเขาหกสิบรูปวันเดียวเละเล่นแรงมากสู้กันแรงกันขึ้นก็เนี้ยกาะทำทาให้เห็นอย่างหนึ่งว่าชีวิตชีวิตคนเนี่ยนะฮะหรือบางทีเราเราไม่ได้ทำเขาแต่เขาทำเราหรือว่าเขาทำให้เราทำเขา มันก็เหมือนกับเราขับรถนะฮะโยมเจนนะชัดมากเลยว่าเราขับอยู่ในเลนดีๆเนี่ยเพื่อนมาชนเราให้เราไปชนเขาอีกทีหนึ่งเราระวังนะจริงเราระวังแต่ว่าการกระทาของคนอื่นเราก็ไประวังเขาไม่ได้ก็อาจจะชนเราแล้วให้เราไปชนเขาอีกทีหนึ่งเลยเราก็ไปต้องทะเลาะ ก, กับเขาโดยโดยเราไม่ได้ทําอะไรเลยอันนี้ก็คือสิ่งที่มีปัญหาว่าโลกมันก็เป็นอย่างเงี้ยโลกก็เป็นอย่างงี้ แต่เมืองไทยเราไม่ถึงกันแรงกันนั้นเราเราเราไม่เคยมีอะไรติดต่อสู้กันแรงแต่ดูประวัติศาสตร์แล้วโอโ้โหมนุษย์นี่มันมันไม่ใช่เล่นนะฮะมันหาวรูปอดรูเดือดเท่าเกินขนาดว่าคนที่เป็นพระยังอยู่ไม่ได้นะฮะต้องสึกออกมาดูแลบ้านเมืองกันเลยนี่ก็ต่อมาในท่านท่านท่านจ้าที่วงคตเนี่ย น, นะครับแต่ว่าศรัทธาท่านมั่นคงมากพระเจ้าตูตาเปนีย่ย ก็นิมนต์พระมาสวดสวดมันก็ในในในนิมิตคองท่านเนี่ยนะ mm hmm. ก็เห็นมีรถมารับมีหกคันสวยสวยสวยขนานไหนะก็เป็นรถทิเทวดามารับเพื่อให้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นของตัวเองคุณ mm hmm. นุ่งก็ขอดันงก็ดันก็ขอนั่งก็นั่งขอนั้น mm hmm. ขอให้ไปนะฮ mm hmm. ะรตจแล้ท่านก็เลือกไปดูสิแล้วก็ นี้แสดงว่ากรรมนี้มันก็ให้ผลในชาติต่อไปด้วยเห็นไหมว่าที่ทำความดีตรงนั้นตกลงว่าที่เห็นในชัดๆคือท่านสัมผัสทั้งสองอย่างได้ราชสมบัติได้และอะไ้ในชาติปัจจุบันแล้วก็ตายก็ไปบังเกิดในสุคติในขณะเดียวกันท่านก็เล่าถึงคนคนหนึ่งที่มันมันรุนแรงารฮาโผลมากรูดเดือดมากไพระเถรารูปหนึ่งท่านก็พยายามตีสนิท ตีสนิทเพื่อเพื่อจะดึงเขาก็หาธรรมะเนี่ยแต่ก็โดนเยอะนะฮะในสุดก็พอพูดจา ก, กันรู้เรื่องจวนแกแกจวนจะตายฮะแกะจวนจะตายก็ไปตีสนิทไว้เพื่อว่าจะก่อนจะตายจะได้พูดอะไรกันหน่อยเพื่ออยากแกตกนรกอะ่ะก็ปรากฏว่าพอพูดกันได้ะก่อนจะตายอโยมจะรับศีลไหมจะรับศีลไหมประกาศถึงพระรันตนตรัยไหม ตอนนั้นแกไม่ได้องถือพระนะเอาๆก็เอ า, เอ า, เอาจะตายแล้วเอา ก, ก, ก็ว่าไปได้หน่อยเดียวนะว่าแค่ได้นโมยังไม่ได้ว่าพุทธังอะไรนะว่าแค่นโมก็ตายแต่มันตายโดยจิตยอมรับจิตผ่องสายเปลง่งนโมร ะ, ะเห็นว่ากายตอนนั้นก็สุจริตเอ้ยไม่ใช่สุจริตว่าจีก็สุจริตใจก็สุจริตนั่ก็สุจริตสามตอนนั้นก็แสดงว่าลบโลกกูลงไปแล้วก็บังเกิดเป็นเทวดาชั้นจ่าตูมารัส นึกเออได้ยังไงว่าเป็นเทพบุตรแล้วก็นึกว่าเอ อ, อ, ก, เเ ก, ก, เอก็ได้พระกล่าวนโมนี่ได้กล่าวนโมพุทธังยังไม่ได้ว่านะฮะท่า ง, งไม่ไดว่าก็มาบอกพระเทริรักก็บอกว่าที่จริงถ้าผมรักษาศีลห้าผมคงเกิดได้ดีกว่านี้ชักโลภแล้วจักโลภแล้วเกิดเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเทวดาชักโลภแล้ท่านก็บอกว่าก็โยมไม่เอาเองอใจโยมไม่รับใจเอง ยอมมาชักจะโทษพระนะฮะหาว่าพระให้น้อยไปหน่อยก็จริงๆแกก็ไปรับก่อนจะตายแต่นั่นเองอยากจะโทษพระพ้ะก็ต้งบอกว่าก็โยมไม่ใจโยมเนี่ยไม่รับเองมาว่ามาถ้าแกรับก่อนหน้านั้นสักหน่อยสักสักคือสีนเนี่ยลองลองตั้เกี่แต่สีห้าประมาณสักสี่นาทีสีห้าที่เรารับเนี่ยประมาณสักสี่นาทีเพราะฉนั้นให้เวลากับตัวเองสักสี่นาทีเนี่ยเราก็รับทันแล้วศีห้าทัน ต่ถ้ให้าเดียวกานนั้นคืออธิษฐานเอาอห้ฐานศีนหา้าตาับเดียวแต่เองอธิษฐานเอาก็จะถือสีห้าก็ก็ไม่จำเป็นนะฮะว่าจริงจริงไม่ไม่จำเป็นจะต้องสมาทานอะไรก็ได้เพราะว่าศีห้ามันก็อยู่ที่ตั้งใจวิรัตงดเว้นสำรวจระวังไม่ร่วงละเมิดจนเป็นอาการกายวาจาปกติมันก็กลายเป็นศีนลักษณะกรรมหล่อ น, นี้แต่ละอย่างเนี่ยที่จริง ขึ้นอยู่กับไม่ใช่ทั้งทั้งดีทั้งไม่ดีนะฮะทั้งกุศลหน้ากุศลเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวตัวในสุดนะฮะคือโลภะโทสะโมหะหรืออาโลภะอโทสะโมหะโลภาาาะโทสะโมหะก็คือความไม่โลภไม่กดไม่ดุท่านทั้งหลายจะลองลองสังเกตว่าธรรมะเหล่านี้เวลาทรงแสดงในแนวของการปฏิบัติในองการปฏิบัติจะจะไม่พูดมากอนะฮะจะพูดมากอย่างยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะ เมตตาวิหาริโหนโพิกุปสันโนพุทธศาสนาที่คัดเฉบปะดังสันตังสังคารูปสมังสุกขังผู้เห็นภายในสังสารวัตรมีปกติอยู่ใยเมตตาเมตตาวิหาริโหนพิกุนัมีปกติอยู่ด้วยเมตตามีใจเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอี่คัดเฉบปะดังสันตังจะเขาเข้าถึงทางแห่งความสงบ สังขารทั้งหลายนะฮะแต่ยืนว่าจริงๆก็พูดที่เมตตาแต่เมตตามันทําเดินมาเรืเร่อยๆจนบรรลุมรควุไปเลยนะฮะสังกะรูปรสัมังสุ ข, ขังนะเหมือนกับเตสังบูป ส, สัขโโขโขาาปงบูสุโขเตสธรรมสกุลเนี่จริงๆคนสงบได้เป็นพระอรหันต์นั่นนั่นเองเข้าจิตที่เข้ า, ข า, ขาสงบระ ง, งับในสัตร์สังขารทั้งหลายได้ก็เป็นความสุขมันก็เป็นมีเฉพาะพระอรหันต์นั่นนั่นเองที่สงบจริงนะสงบแต่เด็ดขาดจริงเพราะอะไรเพราะว่า ในโลกนี้มันมีสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตถ้าเราเมตตาคนเราจะไม่ล่วงเกินของนะจะไม่ล่วงเกินของที่ที่เจ้าของก็หวงแหนนะนะเช่นสมมติเราเมตนานายกรนายกอเอาสร้อยมาวางทิ้งเราเก็บไปให้เขานะเราไม่เอาหรอกเรียนไม่ใจมันไปเองตัวเมตตาเนี่ยมันไปขจัดโลภะเองเพราะเราเมตตาในคนเราเมตตาในคนเราไม่ล่วงเกินในของของเขา ทีนี้ถ้าพอ ผ, ผมเมตตาเรารเพิ่มสองคนของคนสองคนเราไม่ร่วงเกินสามคนเราไม่ร่วงเกินสีคนเราไม่ร่วงเกินเนี่ยนะมันก็ยา้ายไปเองเมันยา้ายไปเองโดยธรรมชาติของจิตเป็นอย่างนั้นเองเพราะนในแนวปฏิ í, บัติ hart, เราจะเริ่มที่ไม่โลภ ก, ก็ได้เริ่มไม่โลภ ก, ก็ได้หมายความว่าไม่ร่วงเกินของของเขาเสร็จแล้วเราก็เกิดเมตตาต่อเขาอาจจะเริ่มที่เขาก่อนก็ได้หรืออาจจะเริ่มที่ของเขาก่อนก็ได้ เช่นสมมุติว่าเนี่ยสมมติว่าเราเร า, เราไปเจอของของใครไม่วางทิ้งเอาไว้แล้วเราก็สืบสาวพอรู้เราก็ไปให้ขา่าวเราเคารพในสิทธิของแต่เราไม่รู้ของใครนะฮะแต่พอเจอของเอาพูดจ้าเขาอัธยาศยไซมันสิเราก็เกิดชอบเข า, เ, ากเกิดชอบเขาก็แสดงว่าอารมภาพมันเกิดขึ้นมาก่อนแล้วอโทสาวก็เกิดขึ้นทีหลังคือความไม่โลภมันเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ความความไม่ความไม่กลัวก็เกิดขึ้น ในการที่เราของไปให้ได้ที่จริงแสดงว่าเราก็ไม่โง่นะฮะไม่ไม่ไม่หลงความใจในขณะนั้นก็มีอมโมหะคือความไม่หลงอยู่อันนี้ก็ก็จะเริ่มต้นอะไก่อนก็ได้ก็ไม่ไดแปลกอะไรแต่มันจะไปหมดด้วยกันทั้งสองทั้งทั้งสามข้อในขณะเดียวกันนั้นจะทําหน้าที่กขจัดตรงกันข้ามคือความโลภ ก, กดลงไปด้วย เพราะว่าพวกนี้จะอยู่คนละกลุ่มกันแค้แค่กันหนาวก็แล้วไม่ใช่แค่แค่หนาวก็ร้อนนะฮะแค่แค่หนาวก็ร้อนมืดก็สว่างเนี่ยมืดสว่างก็ก็ไม่มืดนะฮะมืดมืดก็ไม่สว่างในขณะเดียวกันพวกโรคกรดหลงถ้าเขาเพิ eh ่มขึ้นเนี่ยเขาไปทําลายอความไม่ร่มไม่กรดไม่หลงด้วยเช่นสมุนโดกรดคนนี้นะฮะเป๋หมดเลยบางทีก็ทําลายข้าวของเขาบางทีก็ด่าว่าบุปการีของเขาเลยเพล่าทพาดไปหายไปเลยไม่ได้รับบาบุญคุณโทษอะไรเลย นั้นแสดงว่าอะไรแสดงว่ามันเกิดขึ้นทำหน้าที่ของมันแล้วมันทําลายสิ่งที่ตรงกันข้ามด้วยพวกนี้จึงทรงแสดงในรูปเบื้องต้นเรียกนิทานหรือเอาตอนต้นมาพูดกันเลยไม่ได้พูดถึงตัวกรรมนะะแต่พูดว่าทั้งหมดเนี่ยที่จริงมันเป็นกระบวนการกระบวนการของความโลภโกรธหลวงกับความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแล้วพวกนี้จะให้ผลที่แตกต่างกัน ความโลภโกรหลงก็จะให้ผลเป็นทุกข์ในขณะนั้นๆั้นในขณะต่อไปและในขนาดพบชาติต่อต่อไปความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็จะให้ผลเป็นสุขในขณะนั้นๆั้นในขณะต่อต่อไปแล้วก็ในขณะชาติต่ตอต่อไปต้องลงมาแบ่งเป็นสามช่วงของการให้ผลเรื่องธิกาแล้วแต่ว่าในชีวิตหนึ่งเนี่ยเนื่องจากเรามีอดีตใช่ฮะเราก็มีอดีต ดังนั้นในชีวิตเราจึงจึงมีกรรมอยู่สาระดับกรรมที่เราทําในชาติปัจจุบันทึ่งก็ต้องให้ผลในปัจจุบันกรรมที่เราทํามาแล้วในชาติก่อนจะให้ผลในชาตินี้กรรมที่เราทําในชาติก่อนก่อนจะมาให้ผลในชาตินี้ดีหรือชั่วไม่รู้นะดีหรือชั่วเราเราไม่รู้แต่แน่นอนว่าเรามีกรรมในชาติก่อนแล้วก็ชาติก่อนก่อนก่อนก่อนขนาดไหนก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าสังสารวัตรมญยาวนานได้เกิด น, นี่ก็ ทั้งหมดเนี่ยมันสืบเนื่องมาจากความไม่โลกความโ ก, กดลงกับความไม่โลกไม่กดไม่ลงนั่นเองแต่วันนี้ก็ขออยุติไว้ในเวลาเพียงเท่า น, นี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุ์ในธรรมจะมีแต่ท่านสนนาธุชนนราโดยตัวการทุกท่านตื่น